อริทธสูตรว่าด้วยพระอริ t ฐ982เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังเจริญอาณาปานสติอยู่หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้ว ท่านพระอริธาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าพระองค์ยังเจริญอาณาปานสติอยู่พระพุทธเจ้าค่าอริธาเธอเจริญอาณาปานสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการมฉันทะในการมทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วข้าพระองค์ละได้แล้ว การมชันทะในการมทั้งหลายที่ยังไม่มาถึงของข้าพระองค์ก็ไปปราศจากแล้วปฏิค้าสัญญาในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกข้าพระองค์ก็กำจัดแล้วข้าพระองค์มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก ข้าพระองค์เจริญอาณาปานสติอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะอริ t h อาณาปานสติจะทำให้บริบูรณ์ได้โดยพิสดารอย่างไรคือพิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังตั้งกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกอริ tha อาณาปานสติจะทำให้บริบูรณ์ได้โดยพิสดารอย่างนี้แลอริทธสูตรที่หจบ